จดจออกับงานหรือคนที่ไม่ชอบทำอย่างไรไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าหากเอาไม้ไปเคียยกองฝุ่นกองขยะแล้วถามว่าทำอย่างไรจะไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาจะไม่ให้มีกลิ่นโชยออกมามันเป็นไปไม่ได้ฉันได้ฉันนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะวางใจไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านในสิ่งที่เราไม่ชอบมันต้องฟุ้งซ่านเสมอ แต่ข้อแตกต่างของนักเจริญสติกับคนไม่เจริญสติก็คือคนที่เจริญสติจะรู้ความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนั้นคนที่เจริญสติจะมีเห็นว่านิตาของเราไปประจวบเข้ากับภาพที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นงานค้างอยู่อย่างนี้เมื่อวานวันนี้ต้องมาทําต่อพอตาไปเห็นปุ๊บ ก, ก็เกิดอาการไปดึงเอาความรู้สึกเบื่อหนไปดึงเอาความรู้สึกเหนื่อยอ่อนของเมื่อวาน มาสวมตัวตนในปัจจุบันวินาทีนั้นทันทีนี่เขาเรียกว่าสัญญาเก่าสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ทำงานทันทีที่ตากระทบกับรูปหรือหูของเราไปประจบกับเสียงที่น่าขัดเคืองได้ยินเสียงเจ้านายสั่งสั่งโน่นสั่งนี่มาเราไม่ชอบเจ้านายคนนี้อยู่แล้วเราไม่ชอบเสียงวิธีที่เขาสั่งอยู่แล้ว เราไม่ชอบงานที่เขาสั่งให้เราทำในแต่ละวันพอได้ยินเสียงปุ๊บเสียงเดิมอันคุ้นเคยจิตจำได้ว่าเสียงแบบนี้ไม่ชอบทันทีนั้นจิตจะเกิดความขัดเคืองเกิดโทสะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีสติที่จะเป็นสัมมาสติจริงๆนี้ไม่ใช่สติสักแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้น ส่วนใหญ่ที่ยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่เลิกก็เพราะว่าไม่มีสติดูมีแต่อาการเบือ่อแล้วก็อยากผลักสายออกที่ท่านเรียกว่าวิภวะตันหาไม่อยากมีไม่อยากเอาเกลียดสิ่งนั้นๆคนธรรมดาทั่วไปจะจมจอมอยู่อย่างนั้นทดลองดูต่อไปเวลาเห็นภาพมากระทบตาหรือว่าได้ยินเสียงมากระทบหู ให้นิยามแปะป้ายไปเลยว่านั่นเรียกว่าสิ่งรบกวนเมื่อมีคลื่นรบกวนมาให้ยอมรับตามจริงด้วยใจที่ไม่ได้อยากที่จะสงบทันทีว่ากำลังมีความปั่นป่วนอยู่ในใจเรากำลังมีความรำคาญอยู่ในใจเรากำลังมีโทสะอยู่ในใจเราเราก็สามารถเห็นได้ว่าภาวะแบบนั้นเรียกว่าภาวะที่ใจไม่สามารถเชื่อมติดอยู่กับงาน หรือคนตรงหน้าการรู้สึกว่าสามารถมีสติเห็นอะไรขึ้นมาบางอย่างในเวลาที่กำลังโจรตัวอยากได้ตัวช่วยจะทำให้ใจชื้นขึ้นจะทำให้เกิดกำลังใจว่าเราไม่ได้เสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆเรากำลังจเจริญสติสติของเรากำลังจเจริญขึ้นนิดหนึ่งความใจชื้นจะค่อยๆทำให้จิตใจและร่างกายสงบลง หน้าที่ของปีติหนะ้าที่ของความอิ่มใจเราจะมีแก้ใจที่จะบอกตัวเองให้กลับมาอยู่กับโฟกัสของงานเชื่อมติดกับงานหรือคนตรงหน้าถ้าเชื่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเร่งร้อนให้มองไปตามจริงว่านี่เป็นภาวะที่ใจไม่สามารถเชื่อมติดกับงานนี้หรือคนคนนี้มันเป็นแบบนี้มันเลื่อนไปเลื่อนมามันเบลอ เมื่อไหรที่ภาวะเบลอๆหายไปเราก็จะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าโฟกัสได้แล้วจิดเชื่อมต่อได้ติดกับงานตรงหน้าเป็นการพัฒนาสติจเจริญสติในระหว่างทางานได้คนที่จเจริญสติจะรู้ความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านนั้นว่าที่เกิดความขัดเคืองที่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนี้มาจากการกระทบชั่วคราวเมื่อการกระทบหายไป ความฟุ้งซ่านแบบนี้ก็จะพลอยเสื่อมสลายหายศู์ไปด้วยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่เจริญสติ